50 languages. 54. 5สซื้อของสามาลูขดฉันต้องการซื้อของขวัญนานโนว แต่เอาที่ไม่แพงมากอาดเรตุ่มบาดุบารียดัลล์อาจจะเป็นกระเป๋าถือบหุชหาวันดูไก่ชีลาคุณอยากได้สีอะไรยาวบันนะบเบกุสีดำสีน้ำตาลหรือสีขาวปปกัะปุกกนดุ AT บรือใบใหญ่หรือใบเล็กดุดดะโดหรือชิคก้โดขอดิฉันดูใบนี้หน่อยได้ไหมคะนานุวุกตะโนวเมโนดบหุเดใบนี้ทำจากหนังใช่ไหมคะอดูชัมัดเดหรือว่าทำจากพลาสติก อตวาพลาสติกนัดเดทําจากหนังแน่นอนค่ะขันติตวากิโยชรมดูใบนี้คุณภาพดีมากค่ะอีดูวุฒามาดจยดูและกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริงๆนะคะอีไกเชลานิจวากิโยข้าสิกิตกกะบเลยดู ดิฉันชอบค่ะอีดูนันะเกตุมบอยิชตะวากิเดดิฉันเอาค่ะนานอีดันโน่เตเกดูโคลลุตเตเนดิฉันจะเปลี่ยนได้ไหมคะถ้าต้องการนานูบินดรออันน่บัดลาอสบหเดได้แน่นอนค่ะขันดิตวากิโ เราจะหอของขวัญให้คุณนาวุอิดันโนูดูกเรเอป ต, ตนันอัตลีคัตติโดุตเตเวที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้นค่ะอัลลีนักดูปาวติสธลาอิเอ